بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ا ن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم. المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي. الشريط السابع ويحتوي على صور هود يوسف الرعد إبراهيم. نأنب ا ل ب و د ا ل ب و د مكيا م ي م ا ئ ع ش ي ن و ث ل ا م و ا ن เพื่อความสนใจต่อหลักการศรัทธาของาศาสนาอิสลามคือการศรัทธาต่อหลอศรัทธาต่อบรรดาศ า, าสนาพุทธศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนตลอดจนได้กล่าวถึงปลอดความเป็นมาของบรรดานับีอย่างละเอียดเป็นการปลอบใจท่านอบีมูฮัมหมัดสโลลล์โมลาเวสลำในขณะที่ท่านประสบกับการทำร้ายของพวกมุสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาครับถันที่เผชิญกับถัน คือหลังจากที่ลุงของท่านคืออบูตเลบและพัญญาของท่านคือคอดิยะได้สิ้นชีวิตลงในระยะนั้นองค์การต่างๆได้ถูกประธานลงมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจาบรรดาอัตูนซึ่งได้รับการทดสอบนานาชนิดท้งนี้เพื่อท่านนาบีมอมัสสโอลล์ล้อมเมอร์วสลัมได้ยึดถือเป็นแบบฉบับในการอดทนและมีความหนักแน่น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 บิดาคนที่สองแห่งมนุษยชาตินอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงเรื่องของดามีหูอไลสลาบซึ่งบทนี้ตั้งชื่อตามชื่อของท่านต่อจากนั้นได้กล่าวถึงเรื่องของดาีซันเเรื่องราวของดาบีหูเรื่องราวของดาีสุอิดเรื่องราวของดบบองางด บ, บีมูซาและฮารูอลัลลอฮ์ทรงประทานถอนและความสารติแก่พวกเขาทั้งหลายต่อจากนั้นก็เริ่มโดยการวิ จ, จารณ์ เรื่องราวต่างๆว่าเป็นบทเรียนและข้อเตือนสติเช่นการทําลายผู้อาจทำให้ประสบกับความหายนะบทนี้จบลงด้วยการชี้แจงถึงเคล็ดลับในการกล่าวถึงเรื่องราวของบรรดาศาสนทูตทั้งนี้ก็เพื่อเป็นข้อคิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิเสธสถาและฝ่าฝืนในอริตธรรมและเพื่อทําให้จิตใจของท่านอับดุลเบี๊ยมัมส์ ส, ส ล, ล, ล, ลอนล้อหัวไหลวสลำหนักแน่นในกา ร, รเผชิญกับความทุกข์ยากความหนักใจ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 ค, คัมภี ร, ลลภร์ที่องค์การทั้งหลายของมันได้ถูกให้รัฐกลุ่มมีระเบียบและถูกจำแนกเป็นเรื่องต่างๆอย่างชัดแจ้งจากพระผู้ทรงปริชายานผู้ทรงเชี่ยวชาญอัลลอฮล ล, ลามคำพิ น, น, นี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 และพวกเจ้าจงขอพยะทุษจากพระพูดอภิบาลของพวกเจ้าแล้วจงกลับตัวต่อพรม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 การกลับของพวกเจ้าย่อมไปสู่อัลลอฮ์และพระองค์เป็นผู้ทรงเนชาลุภาพเหนือทุกสิ่งขุนทราบถึงว่า แท้จริงพวกเขาปกปิดความลับไว้ในส่วนอกของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะซ่อนความเป็นศัตรูจากพระองค์เพิงทราบเถิดว่าขณะที่พวกเขาเอาเสื้อผ้า ข, ของพวกเขาปกคลุมตัวนั้นพระองค์ทรงรู้สิ่งที่พวกเขาปกปิดและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในส่วนอก และไม่ว่าสัตว์ตัวใดที่เหยียบย่ำลงในแผ่นดินเว้นแต่เคลื่อนยังชีพ ข, ของมันเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์และพระองค์ทรงรู้ที่พม น, นักของมันและที่พักทั่วคราวของมัน ทุกสิ been, ่งอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งแล้ว พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในระยะเวลากวันและบลังของพระองค์ทรงอยู่เหนือน้ า, นาเพื่อพระองค์จะทรงทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้ามีการงานที่ดีเยี่ยม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 ถ้าจริงเขานั้นเป็นผู้คลิกขานองยิย่งยะโสยากแน่นเว้นแต่บรรดาผู้อดทนและกระทำความดีทั้งหลายชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะรับการอภัยโทษและรางวัลอันยินย่งใหญ่ فَلَعَلَّكَ تَعْرِفُ بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقٌ ب ِ ه ص َ د ْ ر ك َ أ َ ي َ ق و ل ُ أ َ ي يَقُولُ ل َ و ل ا أ ن ْ ز ِ ل َ عَلَيْهِ ك َ ذ ُ ن ُّ ه ج َ ا ء َ ن ع ْ ه ُ م َ ل َ ف إِن บางที่เจ้าจะทิ้งบางส่วนให้มีองค์การลงมาอย่างเจ้าแลว้วโวกของเจ้าจะตึ๊กัดต่อสิ่งนั้นโดยที่พวกเขากล่าวกันว่าทําไมเล่าขุมทรัพย์จึงไม่ถูกส่งลงมาหรือทําไมมะละจึงไม่ถูกส่งลงมาพร้อมกับเขาแท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้จับเตือนเท่านั้นและอลัลลอฮ์เป็นผู้ส่งรักษาทุกสิ่ง ت ت หรือพวกเขากล่าวว่ามูฮัมมัดได้ปอลอมแปลงอักุราขึ้นมามูฮัมมัดกล่าวว่าดังนั้นพวกเจ้าจงนำมาสักสิบบทที่ได้ถูกปอกลอมแปลงขึ้น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 ถ้าพวกเขาไม่ตอบสนองการเรียกร้องของพวกเจ้าพระชงสาบเขียกว่าแท้จินอลุกราณถูกประทานลงมาโดยความรอบรู้ของอัลล่ะและนั่นคือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพรงและพวกเจ้ายัางนิยอมชำนวดอีกหรือมันคานะยุรียดุลหยาทัดจุนยาวดีมะหานวัฟิไลยหิมอ่ามาลหุมฝีหาว ผู้ใดปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และความเสืงงอ่อาน้ำผุหมัดเราก็จะตอบแทนให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วนซึ่งการงานของพวกเขาในโลกนี้เท่านั้นโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกริกรอนการงานนั้นแต่อย่างใดโอลายคือผู้ที่ไม่มีชีวิตในโลกนี้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 ومن قدره كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن ي َ ت َ خ َ ذ به مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ م َ ع ِ ي ُ فَلَا تَتْفِي م ِ ر ْ ي ة مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ي َِْ م ُ و ن َ ผู้ที่อยู่บนหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของเขาและผู้เป็นพยานจากพระองค์จะสาธยายมันและก่อนหน้านั้นมีกัมภีร์ของมูซาเป็นแนวทางและเป็นความเมตตาชนเหล่านั้นจะศรัทธาต่อมันและผู้ใดาจากพรรคต่างๆปฏิเสธศรัทธาต่อมันฝ่าย น, นรกคือสัญญาของเขาดังนั้นเจ้าอย่าได้อยู่ในการสงสัยมันเลยแท้จริงมันเป็นสัจธรรมจากพระเจ้าของเจ้า แต่ถ้าว่ามานุษย์ส่วนใหญ่จะไม่ศรัทธาและผู้ใดเล่าจะทำยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเทอต่อรอง ชนเหล่านั้นจะถูกนำมาเสนอ์ต่อพระผู้อภิบาลของเขาและบรรดาพยานจะกล่าวว่าพวกเหล่านั้นคือบรรดาผู้กล่าวเพรต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาพื่ทราบเถิดว่าการสาบแช่งขอล้อจะได้แก่บรรดาผู้ที่อัถะอัลลรองัลลอฮู้อัลลอฮฺไมงลลฮเรอรูือลฮ่รเู้เรืลอเรือฮมือร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 ชนเหล่านี้จะไม่รอดพ้นจากการลงโทษในเที่นดินนี้และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ปกป้องนอกจากลอตการลงโทษแก่พวกเขาจะถูกเพิ่มเป็นทวีคูณพวกเขาไม่สามารถที่จะฟังได้และไม่อา จ, จเห็นได้ขร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 พวกเขาเป็นผู้ขาดุนยิ่งในปรจัโลกอนลลนอานูามิุสลิฮติวะอัคบะตูอิลอบบิมอลยฮบุลัิฮุมฟฮาริูแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีและสมบวนตนต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาชนเหล่านั้นคือชาวสวรรค์ซึ่งพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล มตลทธิ قيم كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل ي س ت ل ت و อุปมาของทั้งสองฝ่ายดังเช่นคนตาบอดและหูหนวกกับคนมองเห็นและได้ยินทั้งสองนี้จะเท่าเทียมกันหรือพวกเจ้าไม่ได้ใครทรองด้วยว่าละเรดอร์ซอลนาอูฮัน และโดยแน่นอนเราได้ส่งไปยังกลุ่มชนของเขาโดยเขากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอันแน่ชัดแก่พวกเจ้าแล้ว ค, คือพวกเจ้าอย่าได้เครพผู้ดอื่นจากอัลล์แท้จริงฉันกลัวแทน พวกเจ้าถ <out> ึงการลงโทษในวันอันเจ็บปวดข้าว่ ل หَาเลือดทีَ่กฟ้ารู้วَามีใَรน่ารักอิลَับชรอมิทล์นาว่าَี ا ครติดตา ن อิลลับทีَนั้นหَุมอาราดิลนาบัดย์ ن َลรั้นว่ามَใครเล่าข้อมูลให้เราฟังอิลลับล้นหَุนคุณคารี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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي و آ ت ا ن ي رحمة من عنده و آ ت ا ن ي رحمة من عنده فعميت عليكم أن لزمكمها وأن تلها كرهون نوّع <تصفيق> ่าว توكلوا من شان،.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،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 ا أ โอ้คุณชนของฉันฉันไม่ได้ร้องขอทรัพย์สินอื่นใดสำหรับการถอยแพร่แต่รางวัลของฉันอยู่ที่เอาล็อกและฉันจะไม่เป็นผู้ขับไล่บรรดาผู้สพัพพาบอกแท้จริง พวกเขาจะเป็นผู้พบพระผู้อพิบาลของพวกเขาแต่ฉันเห็นว่าพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่งมงายนูล้วกลุ่มชนของฉันผู้ใดจะช่วยฉันนะที่อัลลอฮหากฉันขับไล่พวกเขาพวกเจ้าไม่คิดบัางหรือ ولا أقول لكم من ي خ ز ا ئ ن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين ت ز د ر ي أعينكم لي يأتيهم الله خيرا الله أعلم بما في อและฉันไม่ได้กล่าวแก่พวกเจ้าว่าฉันมีขุมครัมของอัลลอฮ์และฉันไม่รู้สิ่งที่พ้นยาวมวิสัยและฉันไม่ได้กล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นมะลักและฉันไม่ได้กล่าวแก่บรรดาผู้ทิสายตาของพวกเจ้าเหยียดหยามว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงประทานความดีแก่พวกเขาอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ดียิ่งขึ้สิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขา ท่านถ้านนั้นฉันจะอยู่ในหมู่ผู้อาธรรมทั้งหลายพวกเขากล่าวว่าโอ้นูฮเอ๋ยแน่นอนท่านได้โต้เถียงกับพวกเราแล้วท่านได้ทำให้การโต้เถียงของเรามากเรื่องขึ้น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 พวกเจ้าจะไม่เป็นผู้รอดพ้นไปได้และคำแนะนำของฉันจะไม่เกิดประโยชน์แก่พวกเจ้าตามที่ฉันปรารถนาจะแนะนำพวกเจ้าถ้าล่อดรงประสง์ให้พวกเจ้าลงผิด พรองคือพระผู้อยบานของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอย่างพระองค์หรือพวกเขากล่าวว่าเขาห ม, มัดได้อุปโลกมันขึ้นมา ม, มื่หมัดต้องกล่าวถึงว่าฉันอุปโลกมันขึ้นมาความผิดของฉันย่อมอยู่ที่ฉัน และฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้ากระรรทำะอยยล من من ت ت แล้วได้ดูอง์การแกนว่าว่แท้จริงจะไม่มีผู้ใดในกลุ่มชนของเจ้าศรัทธาเว้นแต่ผู้ที่ได้ศรัทธาแล้วดานั้นเจ้าจงอยาเศร้าหมองในสิ่งที่พวกเขากระทำลย م م และเจ้าจงสร้างเรือต่อหน้าเราและตามคำบัญชาของเราและจงอย่ามาพูดกับข้าถึงบรรดาผู้อารรพแท้จริงพวกเขาจะถูกให้จมน้ำตาย และเขาได้สร้างเรือและคาใดที่ผู้นําจากกลุ่มชนของเขาผ่านมาทางเขาพวกเขาก็จะเยาะเย้ยเขาเขาก็กล่าวว่าหากพวกเจ้าเยาะเย้ยพวกเราแท้จริงเราจะเยาะเย้ยพวกเจ้า เช่นเดียวกับที่พวกเจ้ายออเยอ่อแล้วพวกเจ้าก็จะรู้ว่าผู้ใดที่การลงโทษอันอับประยจะมาอย่างเขา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 จงกระทั่งทำบัญชาของเราได้มาและบนพื้นแผ่นดินน้ําได้เผยพุ่งขึ้นเรากล่าวว่าจงบรรทุกไว้ในเรือจากทุกชนิดเป็นคู่ๆและครอบครัวของเจ้าหัดเว้นแต่ผู้ที่พระ ด, ดํารัสได้กดําหนดแก่เขาไว้ก่อนและผู้ศรัทธาแต่ไม่มีผู้ศรัทธาร่วมกับเขา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 ي ي และมันแล่นพาพวกเขาไปท่ากลางคลื่นลูกเท่าวูเขาและมัวก็ได้ร้องเรียกลูกชายของเขาซึ่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวโอ้ลูกรลัก จงมาโดยสานเรือกับเราเถิดและเจ้าจงอย่าอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเลยลูกชายกล่าวว่า ฉันจะไปอาศัยที่ภูเขาลูกหนึ่งมันจะคุ้มครองฉันจากน้ํำมีได้นัวกล่าวว่าไม่มีผู้ใดที่จะคุ้มครองในวันนี้ให้พ้นจากพระบัญชาของอัลลอฮ์ได้เว้นแต่ผู้ที่ปรงุงทรงเมตตาเท่านั้นและคลื่นในซักเข้ามาระหว่างเขาทั้งสองและปรากฏว่าลูกชาย ดย่ในและได้มีเสียงกล่าวว่าโอแผ่นดินเอ๋ย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 ح, ل ل أ أ พระองค์ตรัสว่าโอ้โนะเ อ, อ๋ยแท้จริงเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในครอบครัวเจ้า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 ได้มีเสียงกล่าวว่าโอ้นุ่เอ๋ยจงลงไปจากเรือด้วยความสันติจากเราแล้วความจำเริญแก่เจ้า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 บอมุเหล่านั้นคือส่วนหนึ่งของรรเรื่องราวรึนลับที่เราได้ให้โองค์การมาอย่างเจ้ามัมหมัดเจ้าไม่รู้เรื่องนี้และรุ่นชนของเจ้าก็ไม่รู้มาก่อนเลยดังนั้นเจ้าจงอดทลแท้จริงบันปลายที่ดีนั้นจะประสบแก่บรรดาผู้ย่ำเกรย์ وإلى عاد أخاه مهدا إن أن และอย่างอ้างเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งจากพวกเขาขือพูดเขากล่าวว่าโอกลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงขอรกพักดีต่ออรอเถิดพวกเจ้านั้นไม่มีพระเจ้าอาื่นใดนอกจากพระองค์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 พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอก ر ر ت ت อฉิล จงขอพระยะโทษ ต, ต่อพระเจ้าของพวกเจ้าแล้วจงกลับตัวต่อพระองค์เถิดพระองค์จะส่งเมฆมาให้พวกเจ้าให้หลั่งน้ําฝนลงมาอย่างหนักและจะส่งเพิ่มพลังให้เป็นเทวีคุณแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงอยากผินหลัง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 และพวกเราก็จะไม่ศร um ัทธาต่อท่านเราจะไม่กล่าวอย่างใดเว้นแต่พระเจ้าบางองของเราได้นำความชั่วเข้าไปสิงในตัวท่าน พูดกล่าวว่าแท้จริงฉันขอเอาลอสทรงเป็นพยานและพวกเจ้าจงเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงฉันขอเปลี่ตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ตั้งฉากนขีดตื่นจากพรงดังนั้นพวกเจ้าทั้งหมดจงวางแผนทำร้ายฉันเถิะ และพวกเจ้าจะได้ให้ฉันต้องรอคอยเลยอินนีทวักลตุอัลลอฮิรับบีวารับบิุมมามินดาบเตินอิลล่าฮ์ว่าคิดบินาศิย์ฮาอิณน์รับบีอัลาศซราติมมุสตกีมถ้าจริงฉันขอมอบหมายต่อลรอค้าบผู้อธิบาลของฉัน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 หากพวกเจ้าขีนหลังให้แน่นอนท่านได้แจ้งข่าวแก่พวกเจ้าแล้วตามที่ฉันได้ถูกส่งมาอย่างพวกเจ้าและพระผู้อวิบาลของฉันจะทรงแต่งตั้งกลุ่มชนอื่นจากพวกเจ้าเป็นตัวแทนและพวกเจ้าจะไม่ก่ออันตรายต่อพระองค์แตยอย่างไรแท้จริงพระผู้อวิบาลของฉันเป็นผู้ทรงคิยทับทุกสิ่ง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 พนจากการลงโทษอันโหดร้ายแลมวนั่นคือกลุ่มชนอาพวกเขาปฏิเสธองค์การทั้งหลายของพระทูตอภิบาลของพวกเขาและฝ่าฝืนต่อบรรดาศาสน า, าพูดของกรมและปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้ยะโสโอหังและผู้ฝ่าฝืนกู้อลด oh, oh am, และพวกเขาถูกติดตามด้วยการสาบแช่งในโลกนี้และในปรโลกพึงทราบเถิดว่าแท้จริงกลุ่มชนอาร นั้นได้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาพึ่งทราบเกิดว่าจงห่างไกลจากความเมตตาเถิดสำหรับอาจกลุ่มชนของฮุน ลและยังสมมุติเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือซอและพวกกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงเคารพพักดีต่ออลอตเถิดพวกเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระองค์ทรงบังเกิดพวกเจ้าจากพันบิน และสรงให้พวกเจ้าความนักอยู่ในนั้นดะนั้นพวกเจ้าจงขออภัยโทษต่อพระองค์แต่จงกลับตัวต่อพระองค์เถิดแท้จริงพระผู้บานของฉันนั้นทรงอยู่ใกล้ทรงตอบรับการขอสเสมออซลิดัดุนฟีามรจูวันาดาัดะฮอนานาอัมอบุดมายบดอาบา ว ا إ พวกเขากล่าวว่าโอซอลเอยแน่นอนท่านเคยเป็นความหวังในหมู่ของพวกเรามาก่อนบนัดนี้ท่านจะห้ามมิให้เราเคารพพักดีสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเคารพพระดีกระนั้นหรือ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 พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือหากทัานมีหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของฉันและพระองค์ทรงประทานความเมตตาจากพระองค์แก่ฉันเดังนั้นผู้ใดเล่าจะช่วยฉันให้พ้นจากอัลลอฮ์หากทัานฝ่าฝืนพระองค์แต่นั้นพวกเจ้าจะไม่เพิ่มภูมสิ่งใดให้แก่ฉันได้เลยนอกจากการขาดทุนเท่านั้นยกออมมีีีฮดนะตุลล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 มิฉะนั้นแล้วการลงโทษอันรวดเร็วจะประสบกับพวกเจ้าต่อมาพวกเขาได้ฆ่ามันจากนั้นซอเลจึงได้กล่ า, ว, าวว่าพวกเจ้าจงสุขสำราญในบ้านของพวกเจ้าเป็นเวลาสามวัน فَلَمَّا جَاءَ أ َ م ر ُ ن ا ن َ ج َ ي ن ا ص َ ا ل ح َ و َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا م ع َ ه ُ ب ِ ر ح ْ م َ ة ٍ م ِ ن َ ا ب ِ ح ْ م َ ة ٍ م َِ وَمِنْ َ ز ي ي َ و م َ ئ ذ إ ِ ن رَبَكَ هُوَ ا ل ق َ و ِ ي ّ ا ل ع َ ز ِ ي ز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 เเิ่่งสงสสาาาาาามมมกกกดววจจุหหลคตตอรับและแน่นอนบรรด า, าศาสนทูตของเราได้มาอย่างอิบราฮิมพร้อมด้วยข่าวดี เขากล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่ท่านที่บริหีมกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่พกท่านดังนั้นเขาไม่รีรอที่จะนาลูกวัวย่างออกมา แค่เมื่อเขาเห็นว่ามือของพวกเขาไม่ถึงมันเขาไม่พอใจแลวรู้สึกกลัวพวกเขาพวกเขากล่าวว่าอยากลัวเลยแท้จริงเราถูกส่งลงมายังกลุ่มชนของรูทวันมัวตุห์กาอิมตุนฟาบะฮิกต์บชรนาบอสวามิราอิสยบ และภรยาของเขาก็ยืนอยู่นานได้วรระเราจึงแจ้งข่าวดีแก่นางด้วยการได้บุตรชื่ออิสฮะและหลังจากอิสฮะคือยะฮูนางกล่าวาว่าโอ้แปลกแท้ฉันจะมีบุตรหรือ ขาะที่ฉันแก่แล้วและนี่สามีคนฉันก็แก่งอมแล้วแท้จริงนี่เป็นเรื่องประหละาดแท้ๆพวกเขากล่าวว่า เธอแปรใจต่อพระบัญชาของอัลลอฮฺความเมตตาของอัลลอฮฺและความจําเนรของพระองค์จงประสบแด่พวกท่านโอ้ครอบครัวของอิบราฮิมแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ได้รับการสรรเสริญผู้ทรงประเสริฐยิ่งท่านเมื่อความตระหนกได้คลายไปจากอิบรอฮีมแล้ว และข่าวดีได้มาอย่างเขาเขาก็โต้เถียงเราในเรื่องของกลุ่มช น, น, น ร, มรุ น, นแค่จริงอิบราฮีมนั้นเป็นผู้ขันติติตใจอ่อนโยนกลับตัวสูอส่อัลลอฮ์เสมอยาอิบราฮีมอัริบอันาีา อินรนรบว่าอินมดบนรอิบริมเอย๋ยจงหันเหออกจากเรื่องนี้เถิดแท้จริงพระบัญชาของพระผู้บานของเจ้าได้มาถึงแล้วและแท้จริงพวกเขานั้นการลงโทษที่ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอืน่น จะมาอย่างพวกเขาอย่างแน่นอนและเมื่อบันดาทธูปของเรามาไลก้าไดมาอย่างดุเขาเป็นทุกต่อกลุ่มชนของเขาและหนักใจต่อพวกเขาและกล่าวว่านี่ เป็นวันอันเลวร้ายว่าจ้าห์ขวมหุนยืหร่งนั้ลย์วั้งั้งั้งัَ้ั้งัَ้ั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้ง ه ้งُ้งั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้ง อและกลุ่มชนของเขาได้มาหาเขาพวกเขารีบร้อนมาอย่างเขาและก่อนหน้านั้นพวกเขาเคยทำความชั่วเขากล่าวว่าโอกลุ่มชนของฉันเอ๋ยโอกลุ่มชนของฉันเอ๋ยลาวนี้คือลูกสาวของฉันพวกนาง น, นั้นบริสุทธิ์สำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงยำเกรงแลล่อดเถิดและจงอย่าทำให้ฉันขายหน้าต่อแขกของฉันเลย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 أ آ إ د د ลูดกล่าวว่าหากว่าฉันมีกำลังปราบพวกเจ้าหรือว่าฉันหันไปพึ่งที่พักพิงอันเท็จ พวกเขามาเลกิกการกล่าวว่าพูดเ๋ยพวกเราเป็นทูตของพระผู้อภิบาลของท่านพวกเหล่านั้น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 ดังนั้นเมื่อพระบัญชาของเราได้มาถึงเราได้ทำให้ข้างบนของมันเป็นข้างล่างและเราได้ก้อนหินแกล่งหล่นพรูลงมา ถบบบบูกตราเครื่องหมายไว้ะที่พระผู้อวิบาลของท่านและมันไม่ไกลไปจากบรรดาผู้อธรรมเลยอี ล, อาา ล, อละ مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير และยังกลุ่มชนของมัดยัเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งจากพวกเขาขื้สวรรค์เา ก, กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงเคารพพระดีต่อลอ้อเถอะ พวกเจ้านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์และพวกเจ้าอย่าให้การตวงการช่างบกพร่อมเลยแท้จริงฉันเห็นพวกเจ้ายังอยู่ในความดีและแท้จริงฉันกลัวแทนพวกเจ้าต่อการลงโทษในวันที่ถูกห้อมล้อมไว้ว ن ن และโอ้กลุ่ชนของฉันพวกเจ้าจงให้ครบสมบูรณ์ในการตวงนละจารช่างอย่างที่ถึงทบและอย่าให้บกพร่องแก่ผู้คนซึ่งสิ่งต่งตางๆของพวกเขาและอยากออก่าก่อความในแผ่นดินโดยเป็นผู้วันทำลาย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 และคันไม่ใช่เป็นผู้ปกป้องพวกเจ้าได้พวกเขากล่าวว่าโอชูยบ กาละมาตของท่านสั่งสอนท่านว่าให้พวกเราละทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเคารพ บ, บูชาหรือว่าให้เรากระทำต่อทรัพย์สินของเราตามที่เราต้องก า, การกระนั้นดือ้อแท้จริงท่านนั้นเป็นผู้ขันติเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ผมกล่าวว่าโอกลุ ا أ ่มชนของฉันพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือ หากฉันมีหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อวิบาลของฉันและพระองค์ได้ทรงประทานเครื่องอยังชีพให้แก่ฉันซึ่งเป็นเครื่องอยังชีพที่ดีจากพระองค์แต่ฉันมิปรารถนาที่จะขัดแย้งกับพวกเจ้าในสิ่งที่ฉันได้ห้ามพวกเจ้าให้ละเว้นฉันมิปรารถนาสิ่งใดนอกจากการปฏิรูปให้ดีขึ้นเท่าที่ฉันสามารถและความสําเร็จของฉันจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮฺแดบบ่พระองค์ ฉันขอมอบหมายและยังปรุงเท่านั้นฉันจะกลับไปหาและโอ้กลุ่มชนของฉัน อย่าให้การขัดแย้งของฉันทําให้พวกเจ้ากระทําผิดซึ่งมันจะประสบแก่พวกเจ้าเช่นที่ได้ประสบแก่กลุ่มชนของมุ่งหรือกลุ่มชนของฮูดหรือกลุ่มชนของสอเลและกลุ่มชนของลูตนั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลาจากพวกเจ้าววสกรรรออบุมมมมลลน ด, ด และพวกเจ้าจงขออภัยยโทษต่ตอพระผิบาลของพวกเจ้าและจงกลับตัวต่อพรหมแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันนั้นเป็นผู้สรงเมตตาผู้สงรักใคร่เสมอกาลูยาชุอัยบมานัสเาะกะทีรัมินมาจะกูลวะอินนาลนรากะีนาฎอีฟะ ول ول พวกเขากล่าวว่าโอ้สุยิเราไม่เข้าใจส่วนมากที่ท่านกล่าวแต่แท้จริงเราเห็นว่าท่านเป็นคนอดแอะในหมู่พวกเราถ้าไม่ใช่เพราะครอบครัวของท่านแล้วเราจะหิ้งคว้างท่าน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 และพวกเจ้าได้เอาพระองค์ไว้เบื้องหลังพวกเจ้าแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ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 َلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا شُعِيْبَا َالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُو بِرَحْمَةٍ الَّذِينَ ضَلَمُ َأَخَذَ فَأَصْبَحُو مِّنْنَا فِي السَّيْحَتُ دِيَارِهِمْ فِي และเมื่อพระบัญชาของเราได้มาถึงเราได้ช่วยให้สุอิฟและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยความเมตตาจากเรา และเสียงกำ บ, บันนาได้ทำลายบรรดาผู้อาธรรมและพวกเขาได้กลายเป็นผู้นอนพันภาพตายในบ้านของพวกเขาเอ ง, ง, สง เ, มมเองสมเือนว่าพวกเขาไม่ได้เคยอยู่ในนั้นมาก่อนพึงทราบเถิดว่าจงห่างไกลาจากความเมตตาเถิดสำหรับมัดยันเช่นเดียวกัน ที่่สมมได้หางางกลแล้ ว, วล ي ي และโดยแน่นอนเราได้ส่งมูสามาพร้อมด้วยสัญญาต่างๆของเราและหลักฐานอันแจน้จริง ยเฟรอูและบรรดาผู้นำของพวกเขาพวกเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเฟรืออูนและคำสั่งของเฟรอนูนนั้นไม่ชาญฉลาดด้วย ath, ah um nar, เขาจะนำหน้ากลุ่มชนของเขาในวันปรโลกและนำพวกเขาลงนรก และมันจ้งเป็นทางลงที่ชั่วช่ายิ่งและพวกเขาถูกติดตามด้วยการสาบแช่งในโลกนี้และวันพารโลกมันจ้งเป็นความช่วยเหลือที่ชั่วช่ายิ่ง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 فما أغنَت ْ عنهم ُ آلهتهم َِ التي يدعون َ من دون الله ِ ش ي ْ ء ٍ التي يدعون َ من دون الله ِ ش ي ْ ء ٍ لما جاء أمر ربك َِّ وما َ زادوهم َ غير َ تتبيل. <تصفيق> َ رَمِنَا أَعْتَمْ ا طَابُوا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 อินนอัคูอลีมชะดีดกะเช่นนี้แหละคือการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้าเมื่อพรงค์ทรงลงโทษตำวลหนึ่งซึ่งเป็นตำบนที่อาธรรมแท้จริงการลงโทษของพระรงคนั้นเจ็บแสบสาหัสอินนะฟีฎอลิกะลายะตันมินัลคอฟอะดาบิลอาคิระ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 เว้นแต่เพื่อวรรคที่ถูกกำหนดไว้วันที่เมื่อมันมาถึงไม่มีชีวิตใดจะพูดได้เว้นแต่โดยอนุมัติของพระองค์ดังนั้นใน ห, หมู่พวกเขาจะมีผู้ที่เป็นทุกข์ ดังนั้นสาหรับผู้ที่มีทุกข์ก็จะอยู่ในนรกสาหรับพวกเขาที่อยู่ในนั้นคือการถอนหายใจและการสะอื้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 ตราบเท่าที่ชั้นฟ้าและแผ่นดินยังคงอยู่เว้นแต่ที่พระผู้อธิบาลของเจ้าทรงประสงค์เป็นการประทานให้โดยปราศจากการตัดทอนแล้วะรอมิมิ่งบุจะ كما ب ا ؤ ดังนั้นเจ้าจงอย่าอยู่ในการสงสัยจากการที่เขาเหล่านั้นเคารพพักดีเลยพวกเขาไม่ได้เคารพพักดีสิ่งใดเว้นแต่เช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้เคารพพักดีมาก่อนแล้วและแท้จริงเราใช้ส่วนของพวกเขาสมบูรณ์แก่พวกเขาโดยไม่ขาดตกบพร่องแต่ประการใด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 ซึ่งการงานของพวกเขาแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งที่พวกเขากระทัำเจ้าจงยืนหยัดดังที่เจ้าถูกบัญชาไว้และผู้ที่ขออภัยโทษกับเจ้าและพวกเจ้าจะได้ละเมิด แท้จริงพระองค์ทรงรู้เห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำและพวกเจ้าอยากเห็นชอบไปกับบรรดาผู้อาธรรมไฟนรกจะสัมผัส พ, พวกเจ้า และสำหรับพวกเจ้านั้นไม่มีผู้คุ้มครองใดๆนอกจากอัลลอฮ์และพวกเจ้าจะไม่รับการช่วยเหลือว่าอัลกิมซูลักตาร์ัยนนฮาริวซุลฟัฟมินัลไลีลอินนัลฮัสนาสยุยฮิดนั ส, สยลลตยยาต ذلكذكرالذائكرين เจ้าจงปฏิบัติละหมาดตามปลายช่วงทั้งสองของกลางวันและอย่างต้นจากกลางคืน แท้จริงความดีนั้นย่อมลบล้างความชั่วได้นั่นคือข้อเตือนสำหรับบรรดาผู้ที่รำลึกลลลรลแระเจ้าจงอดทนและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงทำให้รางวัลของผู้ทำความดีสูญหาย ฟะโห ل ้วแล้วกาลนั้นของกาลรุ่นนั้นที่ผ่านก่อนคุณกลุ่มบริยติย์ยนหวนักน์ทัศัดที่ทัศัดที่ทัศัดที่ทัศั ي ن ี่ทัศัดที่ทัศัดที่ทัศัดที่ทัศัดที่ทัศัดที่ทัศ ن ดที่ทัศัดที่ทัศัดที่ทัศัดที่ท จึงไม่มีปัญญาชนช่วยกันห้ามปรามการบ่นทำลายในแผ่นดินเว้นแต่จำนวนน้อยเท่านั้นจากผู้ที่เราได้ช่วยให้พวกเขารอดพ้นและบรรดาผู้อาธรรมได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาถูกให้อยู่ในความํำคาญพวกเขาจึงเป็นผู้กระทําผิดและพระผู้มิบานของเจ้า จะไม่ทรงทำลายหมู่บ้านอย่างไม่เป็นธรรมโดยที่ผู้คนในหมู่บ้านนั้นเป็นผู้ฟื้นฟูนทำความดีแล้วพระพู้มีพระบานของเจ้าทรงประสมแน่นอนพระองค์จะทรงทำให้กลุ่มนุษย์เป็นประชาชาติเดียวกัน แต่พวกเขาก็ยังควกัวลาะางพวกแลม่ัรยกรอกวะับกาวลืกะเ้าองพกเขาและพวกเะด้รกา่ลือจพระเจ้องพวกละม่ับกาวลอระเ้งเแะะม่ไ้ัาช่ลจพระ้อวาแจมบาหลืพระองพเแม่้ราช่พระ้องแบาหลืรงพเเ่รับกเหลกพระองเกดรบวเกพเขพวกเขา และลิขิตของพระผู้อภิบาลของเจ้าได้สมกำหนดไว้ครบถ้วนแล้วแน่นอนข้าจะให้นรกนั้นเต็มไปด้วยพวกยินและมนุษย์ทั้งวมวุลิาาลิลมมนน และทั้งหมดนี้เราได้เล่าให้เจ้าฟังจากเรื่องราวของบรรดาศาสนาทูตเพื่อทำให้จิตใจของเจ้าหนักแน่นและได้มายังเจ้าแล้วในเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งความจริงและข้อตักเตือนและข้อํำลึกสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายทุ่งกล่าวเถิดมูฮัมมัดแก่บรรดาผู้ไม่ศรัทธาว่า พวกเจ้าจงกระทำตามแนวทางของผู้เจ้าเถิดแท้จริงเราก็เป็นผู้กระทำเช่นกันว น, นนินรรอาและพวกเจ้าจะคอยดูเถิดแท้จริงเราก็เป็นผู้คอยดู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 และจงมอบหมายต่อพระองค์และพระผู้อวิบาลของเจ้าจะไม่เป็นผู้ทรงลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ